เราผ่านคำนำมาแล้วทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องราวละท่านเริ่มต้นดังนี้ครับผู้เขียนเพิ่งมานึกได้ว่า ผู้เขียนเคยสัญญากับท่านผู้อ่านไว้ว่าเมื่อมีโอกาสจะได้เขียนเรื่องเมืองพมา่าตอนเสียเมืองแกอังกฤษให้ฟังบัดนี้โอกาสนั้นก็มาถึงแล้วจึงขอระงับเรื่องอื่นๆไว้สักพักหนึ่งยกเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าสู่กันฟังพอเพลินๆ จะมีคติอะไรซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องเก่าๆนั้นบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะผู้เขียนเองเป็นคนเขียนหนังสือที่ไม่ค่อยจะมีคติอันหนึง่งชื่อพมา่าที่จะเขียนด้วยตัวหนังสือไทยต่อไปนี้ผู้เขียนก็ไม่รับรองว่าจะถูกต้องกับสำเนียงทางภาษาพมา่าแต่ถึงจะผิด ก็คงผิดแบบที่คนไทยเคยเขียนชื่อพมา่าผิดมาแล้วมากต่อมากแม้แต่ในพระราชพงศาวดารคนไทยเรารู้จักกับพม่าใ ก, กล้ชิดที่สุดเมื่อสองร้อปีมาแล้วเพราะเพราะต้องเสียกรุงให้แก่พมา่าและถูกจับเอาตัวไปเป็นเชลยมากมาย ดูเหมือนจะสองแสนกว่าคนคนไทยที่ต้องไปพมา่าครั้งนั้นคือที่ถูกจับตัวไปเป็นเรลยพมา่าในครั้งนั้นถึงเดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นพมา่าไปหมดแล้วถึงจะยังมีที่รู้ตัวว่าเป็นไทยบ้างก็พูดไทยไม่ได้แล้วเมืองมันดเลมีถนนสายเล็กๆสายหนึ่ง มีคนไทยอาศัยอยู่และอยู่อย่างพม่าทุกทางคนไทยเหล่านี้แยกตัวอยู่ต่างหากและดูเหมือนจะเป็นที่เคารพนับถือของผู้ติดสืบเชื้อสายมาจากคนไทยอื่นๆมีคนเคยบอกกับผู้เขียนว่าบ้านคนไทยบนถนนสายนั้นเป็นบ้านของผู้ที่เด็ดสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายในราชวงศ์พลูหลวง แห่งกรุงศรีอยุธยาก็ออกจะน่าเชื่อถืออยู่เพราะเมื่อได้เห็นเมื่อหลายปีมาแล้วนั้นท่านนั่งปั้นตุ ก, กตาชาววางขายโชคชะตาของพระเจ้วงกรุงศรีอยุธยาต้องตกอับถึงที่สุดเนื่องมาจากต้องเสียกรุงให้แก่พมา่าคนไทยจำนวนไม่น้อย คงจะอยากรู้ว่าโชคชะตาแห่งพระาชวงศกรุงอังวะที่ตีกรุงเก่าได้นั้นเป็นอย่างไรต่อไปถ้าท่านอดใจฟังต่อไปบางทีก็จะแลเห็นเวรแลเห็นกรรมได้บ้าง ราชวงศ์พม่าที่เสียเมืองให้แก่อังกฤษนั้นคือราชวงศ์อาลองพระหรือบางแห่งเรียกว่าอาลองพระยาประถมอักษรศาสต์คือพระเจ้าอาลองพระหรือที่พระเจ้าปวงสวัสดิ์ไทยเรียกว่ามังลองนั้นเดิมเป็นนายบ้านชเวโบพระเจ้าปวงสวัสดา์เรียกว่าบ้านมุกโบโชอาชีพของมังลองนั้น ทำไร้ถ่า ย, ยมาเรามีตําแหน่งเป็นนายบ้านแต่หมู่บ้านเชเวโบนั้นต้องขึ้นแกมอนถึงสองเมืองคือเมืองปรมและเมืองตองอูมังลองเป็นพมา่าก็อยคับแค้นใจเรื่อยมาต่อมาได้รวบรวมสมัครพรรคพวกส่งสมบูคนขึ้นได้บงังจึงแข็งบ้านต่อมอนเออและเขาเป็นนายบ้าน อแข็งบ้านไม่ไม่ไม่ใช่แข็งเมืองนะแข็งบ้านต่อมอนไม่ยอมให้มอนปกครองและไม่ยอมส่งสวยให้แกมอนเมื่อกิติสา์ของมังลองเรื่องลือไปก็มีชาพม่าที่รักชาติพมา่ามาเข้าเป็นพวกพ้องด้วยเป็นอันมากพวกพ้องของมังลองก็กลายเป็นกองทัพใหญ่ ตีราชนจาจักรมอนได้และมังลองก็ได้ขึ้นปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองพม่าตั้งราชธานีขึ้นณที่กรุงอังวะพระเจ้ามังลองได้เผยแผ่พระราชนาเขตออกไปถึงแขวงมณีปุระติดกับประเทศอินเดียด้านตะวันออกช่วงระยะเวลานั้น ก็เราราปีพุทธศักราช2260กว่ากว่าอังกฤษได้เข้าครองอินเดียอยู่แล้วชายแดนของพระเจ้ามังลองกับอังกฤษจึงติดต่อกันขึ้นมาต่อมาพระเจ้ามังลองก็ได้เข้าลุกรานเมืองไทยในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยามารินแต่ก็ตีกรุงศรี อายุทยาไม่ได้จนพระเจ้ามังลองสวรรคตไปเสียก่อนพมา่ามาตีกรุงศรีอายุทยาแตกเอาเมื่ออีกส7เจ็ดปีต่อมาและเมืองพมา่าก็ได้ผลัดแผ่นดินไปอีกถึงสองแผ่นดินแล้วกรุงศรีอายุทยานั้นมีชื่อเสียงไปทุกทิศว่าเป็นพระมหานครอันยิ่งใหญ่ คู่ควรแก่จักรพรรดิเมื่อพม่าตีได้กรุงเสียยุทธยาพระเจ้าแผ่นินพม่า ก, ก็ยอมจะเห็นว่าเป็นพระราชจ้อิสริยยศอันยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเสมอในโลกแม้แต่ตีกรุงเสีย ย, ยุทธยาได้แล้วราชสมัครเมืองพม่า ก, ก็เริ่มจะแสดงยศอย่างและความโออายิ่งขึ้นทุกที พระเจ้ามังหลงทรงเป็นผู้ตั้งชาติพม่าขึ้นโดยมีชัยแกมอนและรวบรวมประเทศพม่าเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ความเก่งกาจของพระเจ้ามังหลงนั้นมาปรากฏเป็นความเสียพระจริตในพระเจ้าแผ่นดินพมา่าซึ่งสืบราช จ, จะสันตติวงศ์ต่อมาอีกหลายพระองค์หรือเกือบจะเรียกได้ว่าทุกพระองค์ ต่อจากพระเจ้ามังลองลงมาจะผิดกันก็แต่มากหรือน้อยเท่านั้นความเสียพระจริตพระเจ้าสิงกูหรือจิงกูองค์ที่เสวยราชหลังที่พมาตีกรุงศิีทยุยาได้นั้นก็เสียพระจริตพระเจ้ามาคยีคอพระเจ้าทารวดีตาะดอ พระเจ้าพระคันมินก็เสียพระจริตติดติดกันถึงสามรัชกาลนับวันหนักอยู่ความยิ่งใหญ่ยโสของพระเจ้าแผ่นดินนั้นย่อมจะนำพม่าไปสู่การกระทบกระทั่งกับอังกฤษซึ่งมีชายแดนติดกันอยู่นั้นในที่สุดเมื่อพุทธศักราช 2,367 2,367 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อังกฤษก็ทำสงครามกับพมา่าในการสงครามครั้งนั้นพม่าต้องยอมรับรู้ว่าตำราพิชัยสงครามของพม่า ถึงใช้กันมาแต่ราชการพระเจ้ามังลองนั้นลาสมัยเส็แล้วเพราะพะม่าต้องพ่ายแพ้แก่อังกฤษยังไม่มีประตูสู้ทหารอังกฤษและทหารสีป่ายชาวอินเดียได้ยกทัพเข้าตีเมืองย่างกุง้งพม่าไปตั้งรับอยู่ที่บริเวณวัดมหาธาตุเเวดากองแต่ก็รับไม่อยู่ พม่าต้องลงนามในสัญญายาศึกกับอังกฤษและยกแคว้นยาไคกับตะนาวสีให้แก่อังกฤษพร้อมกับเสียค่าปรับให้อังกฤษอีกเป็นเงินจำนวนมากมายในสงครามอังกฤษกับพม่าครั้งนั้น อังกฤษส่งทูดเข้ามาถวายสารแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ฝ่ายไทยเราเนี่ยยกทัพไปช่วยเพระาะทราบว่าไทยกับพมา่าเป็นข้าศึกกันอยู่ฝ่ายไทยก็จัดทัพยกไปช่วยจริงๆแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ยกทัพกลับเพราะอังกฤษจะให้กองทัพไทย ขึ้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพอังกฤษแม่ทัพไทยท่านไม่ยอมเพราะว่าเมืองไทยไม่ใช่ประเทศราชของอังกฤษนี่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ผู้เขียนขอกราบคารวะท่านแม่ทัพไทยผู้นั้นไว้ครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่ออังกฤษชนะสงครามแล้วได้บอกมายังเมืองไทยให้ส่งข้าหลวงออกไปชี้เขตแดนเมื่อความมีว่ากองทัพอังกฤษตีได้ดินแดนพม่าทางเมืองทวายแล้วได้ทราบว่าเมืองทวายเคยเป็นของไทยแลพะพม่ามาแย่งเอาไปขอให้ข้าหลวงออกไปชี้ว่าดินแดนส่วนไหนเป็นของไทยก็จะได้คืนให้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าวเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีสุภาษณ์สอเสนาบดีตอบไปเป็นเนื้อความว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพพระม a ห a นครทรงกระทาสงครามเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบวรพุทธศาสนาและเพื่อความผาสุขของสมณะชีพรามอนาประชารา ไม่เคยทำสงครามเพื่อขยายพระราชอาณาเขตกรุงพม่านั้นเมื่อพระเจ้ากรุงอังกฤษทรงตีได้แล้วก็ขอให้ทรงรักษาเอาไวเ้เถิดทางกรุงสยามไม่มีพระราชประสงค์ณนะที่นี้ณนะบัดนี้ผู้เขียน ก็ขอกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้นกที่นี้ครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าพม่าจะต้องยอมแพ้ฝรั่งในการสงครามครั้งแรกแต่ความทรงจำของพม่าในเรื่องนี้ก็มีอยู่ไม่นานเพราะพะม่านั้น ลืมง่ายพอพอกับคนไทยสมัยนี้แหละการที่ฝรั่งเข้ามาครองเมืองอยู่ตามใยพระราชนาเขตนั้นก็กลับกลายเป็นพระหมหาการุณาให้ฝรั่งเข้ามาครองเมืองได้ฝรั่งที่มานั้นมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมิได้มาตีบ้านตีเมืองเอาได้เองในระยะนั้นราชธานีของพม่า ได้ย้ายจากกรุงอังวะไปอยู่ที่กรุงอมรปุระซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลาจากราชธานีเดิมเท่าไหร่นักพระเจ้าทารวดีครองกรุงอมรปุระอยู่พระเจ้าทารวดีนั้นเสียพระจริตแต่เมื่อสิ้นราชการและพระเจ้าพักคันหมิ่นพระเจ้ารดพระชจ้รดองค์ใหญ่ ได้ขึ้นสู่ราชสมบัติก็ปรากฏว่าพระเจ้าพระคันมินนั้นก็เสียพระจริตยิ่งไปกว่าสมเด็จพระชบิดาซะอีกยิ่งกว่าพระเจ้าทารวดีซะอีกพระเจ้าทารวดีนั้นเสียพระจริตในทางเละแต่พระเจ้าพระคันมินนั้นเสียพระจริตในทางโลกรัตต a r คนใดทํามาหาได้รุ่มรวยขึ้นพระเจ้าพระคันมิน กสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตเสียแล้วริบราชบาลเอาทรัพย์มาเป็นของหลวงในราชการเหล่านี้เพระเจ้าประคันมินได้ทรงชุบเรียงแขกสองคนเอาไว้เป็นที่ปรึกษาราชการมีหน้าที่คอยสอดส่องว่าใครเป็นเศรษฐีพอที่จะริบทรัพย์ได้คล้ายๆกับ อ, อกรรมการ คณะหนึ่งของเมืองไทยเราเหมือนกันล่ะประวัติศาสตร์เมืองพม่าจารึกไว้ว่าพระเจ้าพะกันมินให้ประหารชีวิตคนที่มีทรัพย์เสียกว่าหกพันคนส่วนพผู้ที่ยังเหลือตายเพราะรวยไม่พอก็ถูกกดขี่รีดนาทาเร้นไปทั่วพระราชณาจักรที่เมืองย่างกุ้งนั้น มีพ่อค้าฝรั่งเข้ามาค้าขายอยู่มากและมีคนอยู่ในบังคับอังกฤษทามาหากินอยู่มากคนเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะถูกรบกวนริดนาทาเรนเช่นเดียวกับคนในเมืองอื่นๆผู้ว่าราชการอังกฤษที่อินเดียได้ประท้วงเรื่องเหล่านี้ต่อรัฐบาลพม่าหลายครั้งหลายคราวแต่ทางพม่าก็ไม่สนใจอังกฤษ จึงคอยหาเรื่องอยู่แล้ว อ, อังกฤษซึ่งคอยหาเรื่องอยู่แล้วก็ยกทหารเข้าเมืองย่างกุุงอีกและการรบในครั้งนี้ฝรั่งก็ชนะอีกตามเคยแหละแต่พมา่ารบแพ้แล้วก็ถอยหลบไปไม่ยอมรับว่าแพ้แล้วก็ไม่ยอมทำสัญญาหยาดศึกอังกฤษก็ยึดบ้านยึดเมืองเอาตามใจคือ ยึดเมืองมอนเอาไว้ทั้งหมดเหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2,395 ถ้าจะนับย้อนกันนิดนึงก็132ร13 33ปีมานี่เองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเริงถวันราชสมบัติณนะ กรุงเทพพระมหานครได้หนึ่งปีวัดสุทัศน์สร้างเสร็จแล้วพระปรางวัดอรุณสร้างเสร็จแล้วภูเขาทองซึ่งตั้งใจจะสร้างให้เป็นพระเจดีย์ใหญ่พังลงมาในขณะที่กำลังสร้างสุนทรผู้กำลังเขียนเรื่องพระอภัยมณีคนในสกุลบุญนาเป็นเสนาบดีกันชุกชุม อังกฤษกับไทยมีพระเจมัยตรีต่อกันเป็นอันดีทูตอังกฤษเช่นการฟัดซีจำปรุกและหันแกรบารณีเข้าเฝ้าถาวายพระเจาสารไปแล้วตั้งแต่แผ่นดินก่อนก่อน เมื่อพม่ า, มาเสียภาคตายให้แกฝรั่งแล้วพระเจ้าพัคันมินก็อยู่ในราชสมบัติไปได้ไม่นานพระเจ้ามินดุงพระอนุชาได้เข้ายึดพระราชอำนาจถอดพระเจ้าพัคันมินเสด จ, จากราชบัลลังก์แล้วพระเจ้ามินดุงก็ขึ้นสวยราชสืบต่อไป พระเจ้ามินดุงม่ได้สําเร็จโทษพระเจ้าพระคันมินแต่ได้ทรงยกเอาไว้นอกกราชสมบัติและให้มีพระราชอิสริยยศพร้อมด้วยราชูประโภคและบริวานตามสมควรแต่ทั้งที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ติดตามฝรั่งเข้ามาปรากฏอยู่ในประเทศพมา่าภาคใต้ซึ่งฝรั่งปกครองอยู่พมา่าซึ่งเป็นพระชนาเขตของพระเจ้ามินดุงนั้น ก็ปิดตาเสียคือไม่ยอมรับรู้ในความเจริญและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นใครจะตาบอดมืดมิดเท่ากับคนที่ไม่อยากรู้นั้นเห็นจะไม่มีอีกแล้วประเทศพม่าในรัชกาลพระเจ้ามินดุงยังคงปกครองกันอยู่ตามแบบโบราณไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีเดิม เคยมีอย่างไรก็กงรักษากันอยู่อย่างนั้นเช่นทูตฝรังเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็บังคับให้ทอดเกือกและให้นั่งลงกับพื้นพระเพณีเช่นนี้ดูเหมือนในเมืองไทยจะได้เลิกไปแล้วตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชกรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์อลองพระนั้นพระเจ้ามินดุง ดูเหมือนจะเป็นพระเจ้าแผดินที่ทรงมีราชธรรมต่างๆมากที่สุดจะเห็นได้ว่าเมื่อแรกปราบนาพิเศษก็ทรงไว้ชีวิตพระเชศฐาธิราชคือไว้ชีวิตพระเจ้าพระคันหมิ่นเมื่อถอดออกจากราชสมบัติแล้วก็ทรงอุปการะไว้ตามควรแก่อิสริยยศที่ทรงทาเช่นนี้ได้ก็เพราะาก็เห็นจะเป็นเพราะพระเจ้าพระคันหมิ่นนั้นเสียพระจริต เคยกดขี่คนนั้าพวงไว้มากจึงมีแต่พระองค์ปราศจากผู้จงรักภักดีที่จะเป็นเส้นหนามต่อแผ่นดินก่อความไม่สงบต่อไปคือเมื่อเสียพระจริตกดขี่ผู้คนนั้าพวงไว้ก็เท่ากับว่าอยู่โดดเดี่ยวแต่พระองค์เดียวไม่มีใครจะร่วมคิดร่วมการด้วย พระราชภัรกิจของพระเจ้ามินดุงที่ต้องทรงปฏิบัติต่ตอไปนั้นไม่ใช่ง่ายเลยสงครามพม่า ก, กับอังกฤษครั้งที่สองนั้นทําให้พม่าต้องอับอายยศมากเมื่ออังกฤษยึดเอาเมืองมอนหรือพม่าตอนใต้ไปได้ทั้งหมดพม่า ก, ก็ถูกตัดขาดทางทะเลจะติดต่อกับโลกภายนอกได้ ก็โดยวิธีต้องผ่านดินแดนที่อังกฤษครอบครองอยู่ไปลงเรือที่เมืองย่างกุ้งแต่เมืองย่างกุ้งนั้นไม่ได้เป็นแต่เมืองท่าที่สําคัญต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของพมา่าเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์อันสําคัญคือพระมหาธาตุชเวดากองอันเชื่อถือกันทั่วไปในพมา่าว่าเป็นที่บรรจุพระเกศธาตของพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดินพมา่าได้ทรงธนุบำรุงและปฏิบัติบูบชาพระมหาธาตุองค์นี้ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่แรกสร้างเมื่อต้องเสียพระมหาธาตุไปให้แก่ฝรัง่งนอกศาสนาครั้งนั้นก็นับว่าพมา่าต้องเสียมิ่งขวัญอันสำคัญที่สุดไปนอกจากนั้นแล้ว ยังปรากฏวันในดินแดนที่ฝรั่งปกครองอยู่นั้นฝรั่งได้นำเอากฎหมายและระเบียบแบบแผนการปกครองของฝรั่งมาใช้ทาให้รัศดรธรรมาหากินได้เป็นสุขเพราะบ้านเมืองสงบปราศจากโจรผู้ร้ายภาษีอากรก็แน่นอนเละเป็นสัดส่วนเที่ยงธรรมและฝรั่งยังทำให้เกิดความเจริญทางด้านเศรษฐกิจต่าง ทรมาค้าขายได้ครองแคล้วและปลอดภัยเมื่อกิติศัพท์เหล่านี้เรื่องลือไปถึงพม่าเหนือราษฎรที่รักจะธรรมาหากินก็พากระอพยพจากพม่าเหนือเข้ามาสู่พม่าใตาย้ยอมตัวให้ฝรั่งปกครองมากยิ่งขึ้นทุกวันนี่เพราะการปกครองดังกล่าวแล้ว ที่วปมาอา่อติวฝรั่งเอากฎหมายระเบียบแบบแผนการปกครองเข้ามาใช้แม้แต่ระบบภาษีากรอนก็แน่นอนเป็นส่วนเป็นสัต์เที่ยงทมผู้คนก็จึงรังไหลมาสู่มาอยู่ด้วยเอ่อและส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่เมืองย่างกุ้งและบริเวณใกล้เคียงเพราะเมืองย่างกุ้งได้ ก, กลายเป็นเมืองท่าที่จเจริญที่สุด ทำมาหากินตั้งตัวได้ไง่ายเพระเจ้ามินดุงทรงได้ยินถึงกิตติศัพท์เมืองย่างกุง่มที่เลื่องลือขึ้นไปถึงอมรปุระเกี่ยวกับความเจริญต่างๆที่ฝรั่งได้ทำให้เกิดขึ้นก็เกิดขัตติยมานะขึ้นในพระเจริญไทยทรงคิดที่จะสร้างราชธานีขึ้นใหม่ให้รุ่งเรืองงดงามไม่น้อยหน้า เมืองย่างกุ้งที่เสียให้แก่ฝรั่งความจริงพระเจ้าเป็นินพม่านั้นโปรดสร้างรัชธานีใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศมาหลายพระองค์แล้วการที่พระเจ้ามินดุงทรงพระราชดำริที่จะสร้างรัชธานีขึ้นใหม่ การที่พระเจ้ามินดุงทรงพระชจ ด, ดำริที่จะสร้างรัชธานีขึ้นใหม่จึงไม่ผิดราชประเพณีและจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศได้จริงที่ตำบลมันเดเลนั้นมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งพระเจ้ามินดุงทรงพระสูบินแลเห็นภูเขามันเดเลอันแปลว่า กองมณีนั้นอยู่บ่อยๆเมื่อทรงแก้พระสุบินให้อมาต ร, รัชเสวกและโหราพรามทั้งหลายทั้งปวงได้ฟังต่างก็ทำมายทายทักว่าเป็นสุพนิมิตรควรที่จะได้สร้างรัชธานีขึ้นใหม่ระหว่างภูเขาลูกนั้นกับแม่น้าอิรวดีแล้วขนานชื่อเมืองเป็นมงคล น, นามว่า พระนครมัณฑเลแต่พระนครนั้นจะต้องไม่อยู่ชิดริมนาซอิรวดีนะให้ตั้งให้ห่างพอสมควรทั้งนี้ก็ต้องกับพระเจประสงค์ของพระเจ้ามินดุงเพราะเมืองอัมรปุระนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีเรือกลไฟจักข้างเรือกลไฟจักข้าง ของบริษัทฝรั่งที่ย่างกุ้งชื่อบริษัทเดินเรืออิราวดีขึ้นล่องอยู่บ่อยๆเสียงบูดเรือกลนไฟนั้นระคายเคืองพระกันนะักไม่มีทางที่จะสงบได้ทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากจะหนวกหูแล้วก็ยังคอยเตือนให้ระลึก ถ, ถึงอำนาจของฝรัง่งในพมา่าภาคใต้อีกด้วย การย้ายราชธานีนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เ, เพราะจะต้องสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่มันเดเลให้ใหญ่พอที่จะรับเอารั้ววังวัดวาอารามคุ้นนางทั้งทหารและไพรพลตลอดจนรัสดร อ, อีกแสนห้ามือนคนจากกรุงอมรปุระเข้าไปไว้ได้ทั้งหมดเคราะดีที่ที่ตั้งเมืองใหม่นั้น ไม่ไกลาจากกรุงอมรปุระนะักห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตรมิฉะนั้นจะต้องหมดเปลืองแรงทรัพย์แรงคนและชีวิตผู้คนอีกมาก ราชธานีใหม่นั้นสร้างขึ้นตามแผนผังราชธานีซึ่งใช้กันมาแต่ดั้งเดิมไม่ชั่วแต่ในพมา่าแต่ในประเทศอื่นๆอีกมากตั้งแต่มอสโกปักกิงตลอดมาจนถึงกรุงเทพศูนย์แห่งราชธานีคือพระราชวังซึ่งมีกำแพงล้อม ให้เป็นเมืองอันมีปราการภายในเมืองรอบพระาชวังนั้นก็เป็นวังเจ้าและบ้านคุ้นนางตลอดจนวัดวาอารามต่างๆแล้วจึงถึงกำแพงเมืองซึ่งมีคูร้อมรอบเมืองมันดเดลเป็นรูปสี่เหลี่ยมจึงมีกำแพงสี่ด้านกำแพงแต่ละด้าน มีประตูเมืองสามประตูสี่ด้านก็รวมเป็นสิบสองประตูด้วยกันที่เสาประตูเมืองและตามที่สําคัญอื่นๆนั้นต้องฝังอาถรรพ์และอาถรรพ์ที่เอาไปฝังนั้นก็คือคนและก็เป็นคนเป็นๆ เ, เมื่อพระเจ้ามินดุงสร้างเมืองมันเะเลนั้นต้องเอาคนเป็นๆมาฝังถึง 52สิบสองคนฝังตามประตูเมืองประตูละสามคนสิบสองประตูก็เป็นสาสิบหกคนฝังตามมุมเมืองอีกมุมละคนประตูพระราชวังและสี่มุมกำแพงพระราชวังก็ต้องฝังคนอีกและเฉพาะใต้พระที่นั่งสิงหา อันเป็นพระที่นั่งในท้องพระโรงสําหรับเสด็จออกขุนนางนั้นต้องฝังถึงสี่คนออรวมทั้งสิน้นชายคนเป็นๆถึงห้าสิบสองคนเอาไปฝังกรุงมันดะเลนั้นสร้างที่หลังกรุงเทพหลายสิบปีแต่เมื่อสร้างกรุงเทพนั้น ประเพณีฝังคนได้เลิกไปแล้วจากเมืองไทยบุญไปในที่นี้ก็เห็นจะต้องจารึกไว้เป็นเกียรติคุณของพระสงฆ์พม่าว่าพอมีข่าวว่าโหนพรามกราบบังคมทูลพระเจ้ามินดุงให้เอาคนเป็นๆมาฝังตามไสยศาสต ร, ร์พระสงฆ์พม่า ได้เข้าไปถวายพระพรขอบินทบาตชีวิตมนุษย์เหล่านั้นไว้แต่พระเจ้ามินดุงก็ไม่อาจจะขัดโหนพราหม์ได้คนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อให้เป็นผีคอยรักษาเมืองและรักษาพระราชวังนั้นก็ต้องเลือกให้ได้รักษาตามที่โหนพราหม์กำหนด ไม่แช่เอาคนโทษที่ต้องโทษประหารแล้วไปฝังไม่ชัดแต่ต้องเป็นคนที่ทอยู่ในวัยต่างๆกันตั้งแต่ผู้มีอายุปไปจนถึงเด็กๆมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนต้องมีฐานะดีต้องเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชนต้องเป็นคนที่เกิดตามวันที่โหนกาหนดถ้าเป็นเด็กผู้ชาย ต้องเป็นเด็กที่ยังไม่มีรอยสักตามตัวถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องยังไม่เจาะหูทหารมีหน้าที่จับคนเหล่านี้มาให้ได้ให้จนครบพอมีข่าวออกไปว่าเจ้าคนมาฝังทั้งเป็นผู้คนก็หลบไปจากเมืองมันดาเลเกือบหมด ทางราชการสั่งให้มีละครให้คนดูทั้งกลางวันและกลางคืนหลายวันเออคือว่าหลอกกันดือดเดือะหลอกให้มาดูละครนะเราจะได้จับเอาตัวมาฆ่าคือจับเอาตัวมาฝังมีละครให้คนดูทั้งกลางวันกลางคืนหลายวันแต่ก็ไม่มีใครมาดูในที่สุดก็ต้องเที่ยวซอกซอนค้นหาเอาตัวมาได้จนครบ เมื่อได้เริกก็เรียงดูคนเหล่านั้นและก็สั่งเสียให้คอยเฝ้าเมืองและรักษาพระราชวังแล้วก็เอาลงหลุมเอาเสาประดู่ใส่หลุมตามลงไปคือเอาคนลงไปก่อนแล้วเอาเส า, เาใส่ตามลงไปลูกเมีายญาติพี่น้อง ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลก็คงจะรับไปอย่างไม่สบายใจนะักพระราชวังแห่งกรุงมัณฑะเลย์นั้นใกล้เคียงในระบบหรือในแนวความคิดกับพระบรมาราชวังของไทยทั้งที่กรุงเก่าและที่กรุงเทพกล่าวคือเป็นที่ตั้งแห่งอำนาจทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน มีโรงแสงอันเป็นที่เก็บสรรพาวุธส่วนใหญ่ของรัชธานีและมีสลาลูกขุนซึ่งเรียกในภาษาพม่าว่าหลุดดอกสำหรับประชุมปรึกษาระสังราชการในการปกครองประเทศนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพระคลังต่างๆและกรมกองอื่นๆในราชการตั้งอยู่อีกมาก พระราชวาวังกรุมดาดเลนนั้นแบ่งเป็นข้างหน้าข้างในเช่นเดียวกับพระบรมราชวังของไทยมีกำแพงชั้นนอกซึ่งสร้างด้วยเสาพะเนยตห่างจากกำแพงชั้นนอกเข้าไปประมาณ25เมตรก็ถึงกำแพงพระราชวังชั้นในก่ออิดถือปูนในระหว่างกำแพงสองชั้นนั้น ก็มีสนามมีสาราลูกขุนมีโรงช่างโรงแสงโรงแสงคือคลังแสงคือที่เก็บสัญพาวุธต่างๆและสิ่งก่อสร้างอื่นๆประตูวังด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นประตูเสด็จคนอื่นที่จะผ่านเข้าออกทางประตูนั้นต้องเข้าทางประตูช่องกุด ข้างในประตูด้านตะวันออกมีห อ, อกลองเรียกว่าบาโโหสินสำหรับเวรยามตีบอกทุ่มโมงจากประตูด้านตะวันออกนี้ตรงเข้าไปก็จะถึงท้องพระโรงเป็นพระที่นั่งยอดปราสาทแบบพมา่ามีหลังคาซ้อนซ้อนซ้อ น, อนกันขึ้นไปเจ็ดชั้นยกยอดปราสาทอยู่เบื้องบน ท้องพระโรงนี้เป็นที่ตั้งพระแท่นสิงหาอันเป็นที่ประทับสเสด็จออกขุนนางปราสาททองพระโรงนั้นต่อเนื่องกับพระเจมลเทียนชั้นไหมเช่นเดียวกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยต่อเนื่องกันไปถึงพระที่นั่งภายศาลทักษิณและพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมราชวังกรุงเทพ มี่ยกเปรียบเทียบให้ฟังให้เข้าใจได้ชัดชัดขึ้นในพระที่นั่งองค์อื่นๆซึ่งอยู่ชั้นในนั้นมีพระแท่นเสเวตะชัดตั้งอยู่อีกหลายองค์คือพระแท่นโหงหรือหังสารสำหรับประทับในพิธีสงกรานต์พระแท่นช้างหรื อ, อข้าฉัชา สำหรับประทับในพิธีเกี่ยวกับช้างเผือกพระแท่นสังหรือสังขาร ส, สำหรับประทับในเวลาเฉลิมพระอิสริยยศเจ้านายในพระชวง์และพระแท่นดอกบัวหรือปฐมาตสำหรับเสด็จออกให้ข้าราชการเฝ้าให้ข้าราชการฝ่ายในเฝ้า ในพระจัฐานชั้นนนั้นก็ถือระเบียบอย่างไทยกล่าวคือมีแต่ผู้หญิงล้วนๆตามปกติผู้ชายเข้าไปไม่ได้ในนั้นก็มีตำหนักน้อยใหญ่และเรือนหลวงเรือนบริวารเป็นที่ประทรับของพระมเหสีและเจ้านายฝ่ายในตลอดจนนางสนมกำนันนางพนักงานข้าหลวงและพวกโคลนจ่าซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่คอยดูแลความดำเนินต่อไปว่าพระอัคมเหสีของพม่านั้นเรียกว่านันมาดอ พย่าของจีนพระมเหสีนี่เขาเรียกฮองเฮาของพมา่านี่เขาเรียกนันมะดอกซึ่งจะต้องเป็นพระคินีต่างพระโสทรคื อ, อพี่น้องร่วมท้องกันต่างพระโสทรก็เป็นพี่น้องต่างท้องกันกับองค์พระเจ้าแผ่นดิน พระชธิดาซึ่งจะได้เป็นพระอัคคมเตหสีในรัชการต่อไปนั้นตั้งเอาไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรู้หรือไม่ต้องคำนึงว่าพระเจโอรสพระองค์ใดจะได้รับราชทายาทสืบราชสมบัติต่อไปตำแหน่งนี้เรียกว่าตะบินแดงพระรชาชธิดาที่จะจะดำรงตำแหน่งนี้ได้ต้องมี พระราชชนนีเป็นพระมเหสีหากประสูติจากเจ้าจอมมารดาก็ตั้งไม่ได้นอกจากพระอัคมเหสีแล้วก็ยังมีพระมเหสีรองลงไปเรียกว่าอาเลนมันดอและยังมีพระมเหสีฝ่ายซ้ายพระอัคคชายาพระราชชายาและเจ้าจอมอีกเป็นจำนวนมาก ชั้นพระเหสีและพระอัคคชายาพระราชชาญานั้นได้กินเมืองได้กินเมืองคือได้พระราชทานสวยจากหูวเมืองต่างๆให้เป็นผลประโยชน์รายได้ผู้คนก็จะเรียกพระนามพระมเมหสีเหล่านั้นตามนามเมืองสวยพระอัคมเหสีของพระเจ้ามินดุงนั้น เป็นพระเชศฐากิณีต่างพระราชชนนีมีพระชนมายุแก่กว่าพระเจ้ามินดุงหลายปีอยู่พระอัครมเหสีนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวที่จะใช้เสวตชัติเช่นเดียวกับพระเจ้าแผ่นดินและได้ประทับร่วมรัชอาณาในเวลาเสด็จออกทุกแห่งพระเจ้ามินดุงนั้นมีพระมเหสีถึง เอ่อสี่สิบห้าองค์เจ้าจอมไม่นับนะเจ้าจอมไม่นับแต่มาเห็นสีทั้งหลายนี้จะว่าพระเจ้ามินดงได้ทรงเลือกหาเอาเองด้วยความสเสน่หาก็เห็นจะไม่สนิทนักเมืองไทยใหญ่และเมืองอื่นๆซึ่งถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นประเทศสราช น, นมีอยู่มาก จากฟาไทยใหญ่และเจ้าพร้องคนครอื่นๆก็ถือธรรมเนียมที่จะต้องส่งทิดาหรือสตรีมีสกุลกามาถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาหากไม่ทรงพระกรณาชุบเรียงให้เป็นชั้นพระเมหสีก็จะน้อยใจน้อยใจแล้วก็จะผ่านแข็งบ้านแข็งเมืองเอาง่ายๆการตั้งพระเมหสีและพระอัคคชายาต่างๆของพระเจ้ามิงดุง จึงเป็นวิธีป้องกันแบบตัดไฟหัวลมมีให้มีผู้ก่ อ, อ ก, การร้ายขึ้นในพระราชนาจพระอักมเมสีของพระเจ้ามิงดุงคือพระนางนันมาดอนั้นทรงมีพระทัาสายมักน้อยไม่ทรงมักยายไฟสูงโปรดทรงรมแรมบำเพ็ญราช ก, กุศลอยู่เป็นนิดแต่พระเมสีรอง คือพระนางอาเลมันดอซึ่งเป็นพระคณิตะปาคินีต่างพระโสธรของพระเจ้ามินดุงนั้นมีพระธัญาสายตรงกันข้ามทรงไวยศอย่างและฝ่ายอำมาจวาสนาอยู่เป็นนิจและอาจจะเพราะเหตุ น, นี้เองก็ได้ที่ผู้คนพากันเรื่องลือว่าพระนางอะเลมันด อ, อนั้นเป็นที่โปรดปรานใกล้ชิดของพระเจ้ามินดุง และมีอำมาหวาสนายิ่งกว่าพระมเหสีองค์อื่นๆที่คนลือว่าพระเจ้ามินดุงโปรดปรานพระนางอเลนันดอมากกว่ามรมเหสีองค์อื่นๆนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ความจริงนั้นมีอยู่ว่าพระนางอเลนันดอทรงทำอะไรได้ตามพระทัยมากมายหลายอย่างโดยที่พระเจ้ามินดุงนีได้ทรงว่ากล่าว และปล่อยตามน่าจะเป็นเพราะว่าพระเจ้ามินดุงทรงเกรงอำนาจพระนางอเลมันดอยิ่งกว่าพระมเหสีองค์อื่นๆก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นพระมเหสีองค์หนึ่งซึ่งกินเมืองมา ก, กราบบังคมทูมพระเจ้ามินดุงว่าพระนางอะเลนันดอคิดจะวางยาพิษตนพระเจ้ามินดุงก็หนิงเสีย มิได้กรัดอย่างไรพราระมาสมเหสีองค์นั้นกราบถวายบังคมลาออกไปอยู่นอกวงังกับพ่อคาธรรมดาสามัญซึ่งเป็นคู่รักกันมาแต่ก่อนพระเจ้ามินดุงก็บโปรดพระราชทานอนุญาตให้คล้ายกับว่าได้ทรงช่วยพระเหสีองค์นั้นให้รอดชีวิตจากพระนางอะเลมันดอไปได้ อาทิตย์พูดถึงเรื่องพระนางอเลนันดอมายืดยาวเนี่ยก็เพราะความมักใหญ่ฝ่ายสูงของพระนางอเลนันด อ, อนั้นได้มีผลอย่างสำคัญถึงประวัติศาสต ร, ร์พม่าในเวลาต่อไป กถึงขุนนางพม่าในสมัยนั้นไว้บ้างตามควรคุนนางที่ออกจะสําคัญอยู่ในราชสมัยพระเจ้ามินดุงนั้นเห็นจะได้แก่ขุนนางคนที่อยู่ในตําแหน่งกินวุลมินกี้ท่านผู้นี้ฝรั่งรู้จักมากแล้วเรียกวันนายกรัฐมนตรีหรืออัครมหาเสนาบดีของพมา่าแต่ความจริงกินวุลมินกี้ นี่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงส่งอะไรถึงเพียงนั้นหรอกตำแหน่งกินวุ่นมินกี้นั้นเห็นจะพอเทียบได้กับกรมมท่าของไทยในสมัยเดียวกันเพราะเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่เจรจาติดต่อกับแขกเมืองและฝรั่งที่มายังพมา่าแต่การเทียบเช่นนี้ก็ไม่แน่นักว่าจะถูกเพราะในพม่า ยังมีขุนนางอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คล้ายกรมท่าของไทยเรียกว่ากาลาวุนกาลาวุนนี่มีหน้าที่คอยติดต่อและรับรองแขกเมืองแบบฝรัง่งที่มาอยู่ในพม่าเช่นเดียวกันแต่ตำแหน่งนี้ดูเหมือนจะไม่ใหญ่โตเท่ากรมท่าเมืองไทยอาจจะเป็นเพียงแค่เจ้ากรมล่ามเพราะต้องหาคนที่รู้ภาษาฝรั่งมารับตำแหน่งครั้งหนึ่ง เคยให้ฝรั่งเป็นกะลาวุ่นเลยทีเดียวฝรั่งคนนั้นชื่อนายแมกเกติชต่อมาให้ชาวอาร์เเนียคนหนึ่งชื่อนายมานุกเป็นกะลาวุ่นเพราะพูดฝรั่งได้คล่องแคล่วกินวุ่นมินกี้นั้นเคยบวชเรียนมานานเป็นคนชั้นมหาป ร, รียนาแหละ มออกจากแก่วัดอยู่จึงถูกพระราชธิญาสายพระเจ้ามินดุงโปรดปรานมากกินวุนมินกี้เคยเป็นราชทูตไปยุโรปสองครั้งได้รู้จักกำลังอำนาจของฝรั่งดีท่านผู้นี้เมื่อพระเจ้ามินดุงสวรรคตแล้วก็ยังคงรับราชการในราชการต่อไปในตำแหน่งเดิมซึ่งออกจะเป็นของแปลกสำหรับเมืองพมา่า และแสดงว่ากินวุลมินกี้รู้รักษาตัวรอดด้วยดีเพราะในเมืองพม่านั้นเมื่อปลัดแผ่นดินทีหนึ่งเซนาบอดีและขุนนางผู้ใหญ่ในรัชการก่อนมักจะถูกตัดหัวไปตามๆกันอย่างเคราะห์ดีหน่อยก็ขั้นถูกถอด พระเจ้ามินดุงเคยมีพระเจ้ากระแสะอยู่บ่อยๆว่าไม่เคยลงพระราชอาญาผู้ใดถึงชีวิตแต่ก็มีเรื่องเล่ากันว่าถ้าหากว่าไม่ปรดคุณนางผู้ใดขึ้นมาก็จะมีพระเจดารัสขึ้นมาเปรยๆว่ากูไม่อยากเห็นหน้าไอ้คนนั้นคนนี้อีกต่อไปเพียงเท่านี้ก็พอถมเพราะ ขุนนางคู่แข่งก็จะจัดการฆ่าผู้ที่ไม่โปรดเห็นหน้าอีกต่อไปในทันทีที่มีโอกาสต่อมาบางทีก็จะมีพระเจดําดรัฐถามถึงว่าออไอ้คนนั้นไอ้คนนี้มันหายหน้าไปไหนแล้วก็จะมีผู้กราบบังคมทูลว่าขุนนางผู้นั้นขุนนางผู้นี้เกิดความระอายยิ่งนักเมื่อมีพระเจรเกษห้ามเฝ้า จึงฆ่าตัวตายไปเสแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีพระราช ด, ดำรัสปลองอนิจจังว่าเออชีวิตคนนี่ไม่เที่ยงเนาะเห็นหน้ากันอยู่รัดรัดกลับตายไปเสแล้วเรื่องก็จะจบเพียงแค่นั้นแต่กินวุนมินกี้นั้นได้รับพระราชทานพรพิเศษจากพระเจ้ามินดุมีพระจากระแสรับสั่งห้ามไว้ มีให้ผู้ดาดค่าฟันกินวุ่นมินกี้ให้ถึงตายเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นด้วยคมหอกคมดาบหรือจนกระทั่งมัดเอาตัวให้หมดแดงกัดไม่ให้ทำไม่ให้ลงโทษตำแหน่งมินกี้นั้นเทียบเท่าจจตุสดมของไทยเพราะมีจำนวนสี เท่ากันคำว่ามิงกี้ก็ทรงแปลเป็นไทยว่าผู้รับน้ำหนักมากรงกับคำว่าสดมซึ่งแปลว่าเสามิงกี้แต่ละคนมีปหลัดซึ่งภาษาพมา่าเรียกว่าวุนดอกเทียบเท่าปหลัดทูลฉลองของไทยอ่ะ มิงกี้ทั้งสี่นี้นั่งประชุมว่ารจการอยู่ที่หลุดดอหลุดดอรหรือศาลาลูก ค, คุณซึ่งนี้คุณนางที่ชั้นต่ำกว่าไปร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวนมากรองจากจจตุสดมหรือมิงกี้ลงมาก็มีเสนาบดีอีกสี่เรียกว่าอัตวินวุนอัตวินวุนความจริงเสนาบดีทั้งสี่นี้ เห็นจะเทียบได้กับหัวหมื่นมหา็กเวณศัก์เวนสิทธ์เวนริกและเวนเดชของไทยเพราะหน้าที่ดั้งเดิมมีอยู่แต่ในพระราชวังและนั่งวาราชการยที่ศาลาลูกขุนในซึ่งพม่าเรียกว่าพระยีแตกแต่ราชการเมืองพม่านั้นก็เหมือนกับราชการเมืองไทยในสมัยนั้นนานเข้าก็สับสนจนเกือบจะไม่รู้ว่า แบ่งปันอำนาจกันอย่างไรในราชการพระเจ้ามินดุงนั้นหัวหมื่นมาดเล็กทิศลาลูกขุนมีอำนาจวารชการเกี่ยวกับท้องพระครังและบังคับบัญชาทหารทั้งหมดซึ่งเป็นอำนาจไม่น้อยลูกขุนทิศลาหลุดดอก็คงจะต้องวารชการด้วยหูนินคอยตะแคีงฟัง ว่าสาราลูกขุนในพยีแตกจะว่ายังไรแต่ลูกขุนทั้งสองสารานั้นก็ว่าราชการไปตามพระเจ อ, องค์การของพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดให้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีผู้ใดขัดขืนโต้แย้งพระเจ้าองค์การได้ศาลาลูกขุนหลุดดอนั้นก็เหมือนกับสาลาลูกขุนของไทยอ่ะ คือเป็นสารพิภากษาคาดีความต่างๆด้วยโรงสารต่างๆของพม่า ก, ก็คงเคยมีแบบของไทยเช่นสารแผงกลางแผงกระเซ็นแต่มานเข้าเมื่อการบริหารและความยุติธรรมปะปนกันไปอย่างสับสนคดีที่จะว่ากันได้เด็ดขาดก็คงมาตกอยู่ที่ศาลาลูกขุนสรุปแล้ว การปกครองของพระม่าในสมัยพระเจ้ามินดุงซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ซีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นก็คงจะเป็นแบบโบราณเหมือนกับการปกครองประเทศของไทยสมัยก่อนก่อนที่จะเสียกรุงเก่าจะผิดกันก็แต่ท่วัดทางไทยเรามองเห็นว่าการปกครองแบบนั้นเริ่มจะราสมัย ไม่ทันตอเหตุการณ์และได้เริ่มขยับขยายที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบนั้นให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้นแต่พม่านั้นไม่คิดจะเปลี่ยนเลยกลับพยายามที่จะรักษาการปกครองแบบนั้นไว้และส่งเสริมรากฐานเพื่อให้การปกครองแบบโบราณ น, นั้นมั่นคงและคงทนต่อไป เหตุที่ไทยและพม่าในสมัยเดียวกันมีจิตใจแตกต่างกันและมีเหตุผลไป็นกรรธพางนั้นก็เห็นจะไม่ต้องมองหาให้ไกลไทยเราเสียกรุงเสียอยุธยาส่วนพม่าเป็นผู้ตีกรุงศรียอยุธยาได้การที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอ ย, ยุธยานั้น ฝ่ายไทยต้องถูกกระทบกระเทือนมากทั้งในทางด้านวัตถุ จ, จิตใจทำให้หมดอุปท า, านหรือความยึดเหนี่ยวในสถาบันเก่าและระบอบเก่าเกิดวิจิกิจฉาในสมรรถภาพของสถาบันและระบอบเหล่านั้นจึงพยายามเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นส่วนพมา่านั้นเป็นผู้ชนะ เป็นผู้ตีกรุงศรีอ ย, ยุธยาได้ชัยชนะเป็นเครื่องเสริมอุปท า, านในสถาบันเก่าและระบบเก่าให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปอีกทำให้พมา่าแรเห็นไปว่าสถาบันและระบบตลอดจนประเพณีที่ใช้มาแต่ก่อนนั้นดีอยู่แล้วประเสริฐอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นอย่างอื่นสิ่งที่พม่าไม่รู้ก็คือสถาบันการปกครองของพม่าทุกสถาบันกําลังจะถูกทดสอบความแข็งแกร่งในเวลาไม่ช้านักประวัติศาสตร์ได้แสดงไว้แล้วว่าสถาบันเหล่านั้นไม่อาจจะผ่านการทดสอบได้ ต้องสลายตัวไปธรรมเจริญเลที่เก้าิบาสิกีแยกิสุขสระส์หลังรงเรียนในร้อยเจปรกเป็นสถานที่จะหมายนั่นือธรรมะทุกชนิดเพชรธรรมะมากมาย แร่เทพหมาชาติเครืงกุศลกรรมโดยพระครูสังคราชบุญเรือบัญญาพรโรสสมณีสมบูรณ์ดาวชาดกแร่เทพหมาชาติเวทสังโดนชาดกแล่ทาขวัญหน้าโดยสมณีสมบูรณ์ดาวชาดกและทำควัญหน้าโดยน้ำทุ่งเพชรอุทไทยเพชรธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะเพชรธรมรมะภาษาจีนแต่จิ๋วบรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยในแพทย์ตันหม้อเซียง พร้อมในเท็จธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆอีกมากมายเท็จธรรมะสัปดาหส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเทรัผู้ใหญ่ครบชุดณพิรันธรรมะเจริ่เลขที่๙๗ถึง๙๙สยายนุกฤษศักดิ์สนุมประชาธิปไตยรังโรงเรียนในร้อยจอบปรอโทรศัพท์ติดต่อสอบถามโดยที่281 1535๒๘๒๗๙๖๐ครับครับครั